ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook และแฟนเพจปาจา์สุชาติภพิชาโ ต, โตนะครับจากคุณวิมุตินะครับการเห็นความจริงของโลกพร้อมกับเห็นความจริงของตัวเอง เ, อเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชยินนะ่งนักได้พยายามสกัดทุกอย่างออกจากจิตแต่มีภาระทางโลกที่ต้องอยู่ชำระและชดใช้ด้วยความทนทุกขแต่ละวัน อยากจะให้พระอาจารย์เมตตาแนะนําการจะอยู่กับโลกไม่ได้ในระหว่างรอชําระภาระอังโลกอันหนักนี้ก็ให้คิดว่าเราเหมือนกับขับรถบนบนท้องถนนรถมันติดก็ต้องก็ต้องทนอยู่กับมันไปจะให้มันไม่ติดได้ยังไงอยากจะให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแต่มัน ไม่มีถนนให้วิ่งมีแต่รถติดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องรอให้รถเขาขยับไปแล้วเราก็ขยับไปก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันขี้คลายไปจะไปรีดลนรนกวาดแกงจะอยากจะไปมันก็ไปไม่ได้เป็นแดดเกืนไม่เข้าคลายไม่ออกถ้าเกืนไม่เข้าคลายไม่ออกก็อมมันไปก่อนอยู่กับหาความสุขกับ ก, บการอมไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เวลารถติดก็หาความสุขกับการติดรถนั่นแหละพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้เวลารถติดแล้วก็นั่งภาวนาพุทโธเปิดธรรมะฟังเสียงธรรมะฝ่ปฏิบัติไปอย่าไปอยากให้มันเป็นไปในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุนะบอกให้เขาว่าถ้ายังติดอยู่ก็หาความสุขกับการติดนั่งเสียอย่าไปทุกข์กับมัน ไว้รอเวลาเวลามันไม่ติดแล้วค่อยไปกลัวว่ามันเดี๋ยวมันติดแล้วมันจะไม่ยอมไปสิพอมันสุกแล้วมันจะไม่ไปจะทำไงได้ก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันหรือเป็นความโง่ของเราที่ยังไม่รู้พอมากพอถ้ารู้มากพอมันก็ต้องไปได้นี่มันรู้แต่มันรู้ไม่เต็มที่รู้แบบอ่อ ครึ่งคึ่งกลางๆรู้สัจะทําความจริงแต่รู้ไม่ทะลุปุโปรรู้แล้วก็ยังไปเห็นว่าเขาเป็นเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ถ้าเห็นทะลุปุโปรแล้วมันจะเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่นิ่งน้ํำลมไฟเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเห็นว่าอยู่ก็ตายไปก็ตายถ้าเห็นอย่างนี้ไปได้แล้ววันนี้ก็ไปได้ถ้ายังเห็นว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูก เป็นสามีเป็นภรรยาอยู่ก็ไม่มีวันจะไปได้แต่ถ้าเห็นว่าเขาต้องตายกันหมดเราก็ต้องตายกันหมดเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตายเหมือนกันอย่างนี้ก็ไปได้เพราะผลมันเท่ากันไปก็ตายไม่ไปก็ตาย weary, <stain. ras lam ic> เขาก็ตายเราก็ตายแต่เราไปเราอาจจะหลุดพ้นจากการเวีนว่ายตายเกิด ไ, ได้แต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย กาจะเห็นต้องเห็นอย่างนี้นถ้าเห็นสัจธรรมความจริงต้องเห็นว่าตายหมดไม่มีใครอยู่ไปตลอดรอบฝั่งจะช่วยกันยังไงก็เหมือนกับลอยคอยอยู่นั่นอยู่กลางทะเลนั่นแหละว่ายไม่ถึงฝั่งกันทุกคนจมน้ำตายกันหมดทุกคนดฉะนั้นต่างคนต่างว่ายดีกว่าใครว่ายได้ก็อาจจะไปถึงฝั่งได้ใครว่ายไม่ได้ก็จมน้าตายกัน ไม่ต้องมาห่วงกันเรื่องทำมาหากินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องหาความสุขกับชีวิตนี้หละหาไปยังไงมันจะสุขขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันสู้ต่างคนต่างเท้าการหลุดพ้นกันจะดีกว่าถ้าเราไปเขาอาจจะตามเราไปก็ได้ทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบอกพระพุทธเจ้าไปปั๊บ คนอึ่ก็ตามไปเลยพระอนนนก็ตามไปพระนางปชาบดีโคตมีแม่เลี้ยงก็ตามไปแม่ก็ตามไปพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์พระพุทธบิดาก็ตามไปลูกก็ตามไปมลูกพระราหุลก็บวชก็เป็นพระอรหันต์พระมเหษีก็ตามไปตามกันไปได้หมดเลยแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็กอดคอจมกันตายกันไปหม ไปไม่ถึงั่งกันแม้แต่คนเดียวให้คิดอย่างนี้แล้ว ร, รับรองได้วันนี้ไปได้เลยเตรียมเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของไปได้เลยคืนนี้ออกจากบ้านไปเลยไม่ต้องบอกใครเราไปให้ไกลไม่ใหเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ต้องติดต่อกันเลยถือว่าตายจากกันไปแล้วแล้วพอเราบรรลุแล้วค่อยกลับมาเกิดมาเจอเปนใหม่กลับมาคราวนี้เรากลับมาเป็นแบบซูเปอร์แมน กลับมาพาเขาไปสวรรค์ไปนิพพานกันได้หมดเลยถ้ายังอยู่ด้วยกันก็ก็กอดคอกันจมกันตายไปจมน้ําตายไปหมดอันนี้ความจริงนะไม่ได้พูดเร่งพิจารณาดูพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านถึงไปได้ถ้าถ้าคิดเหมือนพวกเราคิดขึ้นเหมือนกับคนที่ถามคําถามนี้อยู่เขาคงยัดติดไปเรื่อยๆ หมดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องเรื่องอื่นมาให้ติดต่อเดี๋ยวเรื่องภรรยาแล้วเดี๋ยวเรื่องลูกเดี๋ยวเรื่องลูกก็เรื่องหลานต่อเรื่องหลานแล้วก็มีเรื่องเลนมาต่อมีเรื่องให้ต่ออยู่เรื่อยเรื่องทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มองว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วก็ไปแล้วไม่มีใครตาย ที่ว่าตายตายนี้ไม่มีกายตายไอ้ที่ตายมันไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันก็เป็นเหมือนแว่นตาอะไรเนี้ยแว่นตามันแตกมันก็ไม่รู้ว่ามันแตกร่างกายแตกมันก็ไม่รู้ว่ามันแตกผู้ที่รู้ก็ไม่ได้แตกไปกับร่างกายแต่ต้องทุกไปกับร่างกายเพราะไปหลงคิดว่าเป็นร่างกาย งั้นถ้ารู้วันนี้จังทุกขังอนัตตาจริงแล้วก็ไปได้เลยทําไมไม่คิดว่างว่าถ้าเกิดวันนี้เราตายไปแล้วคนอื่นเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าเขาจะทําอย่างไรเกิดเราเกิดหัวใจวายขึ้นมาตายไปนีืเกิดอุบัติเหตุเดินข้ามถนนเผออไม่ได้มองรถวิ่งเข้ามาชนตายเขาก็อยู่ต่อไปได้ แทนที่เราจะเป็นเขาแทนที่เขาจะเป็นภาระกับเราเรากลับไปเป็นภาระกับเขาแล้วสเขาต้องมาทำงานศพเราเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนเราจะคิดว่าเราจะอยู่หลังเราจะตายที่หลังเขาเลยเราจะดูแลรักษาทำทาศพของของเขาหรือดีไม่ดีเขาจะต้องมาทำศพของเราก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้รับรองได้ว่าไปได้ไปเมื่อไหร่ก็ไปได้มีข้อไหมมีครับจากคุณธีรพรนะครับเวลานั่งภาวนาไปนานๆประมาณสองชั่วโมงจะเกิดเวทนารุนแรงมากจนทนไม่ไหวเคยทดลองใช้อุบายทางปัญญาก็สามารถนั่งได้นานขึ้นเวทนาก็ยังเกิดแต่ไม่กระเทือนไปถึงจิตสามารถนั่งไปได้เรื่อยๆ แต่พอออกจากภาวนาแล้วผ่านไปหลายชั่วโมงพอนั่งแล้วเกิดเวทนาพอจะใช้อุบายเดิมไม่สามารถใช้ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอุบายที่มันกลายเป็นสัญญาไปหรือเปล่าไม่ใช่ปัญญาแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงพอเวลาเจอเวทนาจิตก็จะจำแต่อุบายแบบเดิมตลอดก็ต้องใช้อุบายใหม่ เริ่มต้นใหม่อย่าไปใช้วิธีเดิมให้พิจารณาใหม่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดถึงว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราทําอย่างนี้แล้วเราได้แล้วทําไมคราวนี้เราไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วเราใช้สัญญาแล้วเราต้องไม่ไปคิดถึงคราวที่แล้วว่าเราทําอย่างไรคราวนี้เรา มีปัญหากับมันเราก็าใช้หลักธรรมมาพิจารณาต่อว่าพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตา <c oughs> คือเวทนานี้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นปกติมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีไม่สุขมีไม่ทุกข์บ้างอนัตต ก, ก็คือเราไปไปปรับไปสั่งให้มันเป็นสุขอย่างเดียวไม่ได้ไม่เหมือนกับเครื่องปรับอากาศที่เราสามารถไป ตั้งเบอร์ได้ว่าจะเอาเย็นขนาดไหนจะเอาอไม่เย็นขนาดไหนเราไปตั้งเบอร์ได้แต่เวทานานี้เราไปตั้งเบอร์ไม่ได้มันจะร้อนก็ต้องปล่อยมันร้อนไปมันจะเย็นก็ปล่อยมันเย็นไปมันจะครึ่งร้อนครึ่งเย็นก็ปล่อยมันครึ่งร้อนครึ่งเย็นไปใจของเราอย่าไปรักอย่าไปชังท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่ความรักความชัง ควาชอบความเกลียดใจชอบสุขเวทนาใจเกลียดทุกขเวทนาดัง <pardon. S 1> นัง้นเราต้องเราต้องปรับมันคือเอาความรักมาดับความเกลียดเอาความชอบมาดับความเกลียดเอาความเกลียดมาดับความชอบเช่นเราเกลียดความทุกข์เราก็เอาความชอบความทุกข์มาดับมัน ถ้ามันทุกข์ต้อมบอกเออดีดีใจที่ได้พบกับเธอยินดีต้อนรับพอยินดีต้อนรับมันก็จะไม่ทุกข์ละเวลาเราเจอคนที่เราไม่ชอบถ้าเราทําใจเอ้าไม่ชอบก็ต้องหัดชอบเขาว่าเจอกันแล้วนี่วันนี้ไปเกลียดเข้าทําไมพอชอบแล้วมันก็มีความสุขมันไม่ทุกข์ละงั้นเราต้องใช้วิธีน้ายอกต้องเอาน้าบก ถ้าชัถ้ารักอะไรก็ต้องเอาความชังเอาความเกลียดมาแก้ความรักถ้าชังอะไรก็ต้องเอาความรักมาแก้ความชังนั้นถ้าเวลาเราเกลียดทุกขเวทนาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเราก็เ้อาบอกวันนี้ต้องชอบเขาแล้นแหละไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าเกลียดหรือไม่เกลียดเขาก็ไม่หนีเขาไม่ไปแล้วแหละเขาต้องอยู่กับเราแล้วถ้าเขาต้องอยู่กับเราแล้วก็อยู่แบบรักดีกว่าอยู่แบบเกลียด ถ้ารักแล้วมันก็สบายถ้าเกลียดแล้วมันก็เครียดมันก็ทุกข์มใช้หลักนี้พยายามสอนใจว่าอย่าไปต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่ชอบอย่าไปต่อต้านสิ่งที่เราชอบก็อย่าไปเหนี่ยวรั้งเอาไว้เพราะเวลาเขาไปเราก็เหนี่ยวรั้งเขาไว้ไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบเราจะไปขับไล่สายส่งให้เขาไปเขาก็ไม่ไปเพราะเขาเป็นอนัตตา เขาให้เราจําคําว่าอนัตตานี้ไว้ว่าเหมือนกับฝนตกแดดออกเราไม่ไปต่อต้านใช่ไหมฝนตกแดดออกฝนตกเราก็ปล่อยเขาตกไปแดดออกเราก็ปล่อยเขาออกไปทันใดทุกเวทนาปรากฏขึ้นก็ปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นไปสุกเวทนาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นไปอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปจัดการกับเขาเพราะเราจัดการกับเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นคนงานของเราบริษัทเราเราจะไปสั่งให้เขาทํางานอย่างนั้นทํางานอย่างนี้สั่งเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้กินเงินเดือนของเราแต่คนที่เขากินเงินเดือนของเราเนี่ยเรายังพอสั่งเขาได้สั่งให้เขาทํานั่นทํานี่เขาก็ต้องทำตามเพราะฉะั้นเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นอนัตตาอะไรไม่เป็นอนัตตา อันไหนสั่งได้อันไหนสั่งไม่ได้อันไหนสั่งไม่ได้ก็ต้องทำใจต้องสั่งใจสั่งใจว่าอย่าไปสั่งเขาอยู่เฉยๆไปอย่าไปต่อต้านแล้วก็เอาใจมาทำความสงบกับการทำสมาธิไปก็ได้แต่นี่ต้องใช้ปัญญาก่อนใช้ปัญญาทำความเข้าใจก่อนว่าเรากาจัดเขาไม่ได้ให้เขาหายไปไม่ได้ พอเรารู้แล้วทีนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเราก็มาพุโทโธพุโทโธดูลมของเราไปเดี๋ยวมันก็จะสงบแล้วมันก็จะไม่วุ่นวายกับความเจ็บของร่างกัยอันนี้ใช้ปัญญากับสมาธิผสมประสานกันปัญญาก็คือสอนให้เรารู้ว่าเราไปทำอะไรไม่ได้ไปทำให้เวทนาทุกคเวทนานี้ดับไปไม่ได้หายไปไม่ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันปวด กินยาแล้วก็ไม่หายปวดก็ต้องอยู่กับมันไปวิธีได้อยู่อย่างสบายก็อย่าไปยุ่งกับมั น, น, นอย่าไปอยากให้มันหายปวดพุดโทพูดโทไปทำใจให้ยอมรับกับความปวดพอใจรับกับความปวดแล้วความปวด่าลดลงไปเหลือนิดเดียวเพราะความปวดส่วนใหญ่นี้มันถูกขยายขึ้นในใจการหาความอยากนีเป็นตัวขยายความปวดของร่างกายให้ รุนแรงขึ้นให้ใหญ่โตขึ้นด้วยการสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปพอเราละนับความอยากปล่อยให้ความเจ็บมันแสดงไปมันจะมีกำลังมากน้อยเพียงไรอยากจะปวดมากน้อยเพียงไรก็ปล่อยให้มันปวดไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วความเจ็บปวดทางใจนี้จะหายไปหมดเลย แล้วความเจ็บปวดทางร่างกายนี้จะรู้สึกว่ามันเล็กน้อยเพราะความเจ็บปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ใจแต่มันหายไปหมดแล้วนี่คือวิธีพิจารณาทุกเวทนาทุกครั้งที่เกิดขึ้นอย่าไปคิดถึงวิธีเก่าวิธีเดิมให้คิดถึงหลับความจริงเป็นจริงของเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือเขาไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เขามีเกิดมีตั้งอยู่มีดับไปเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เวลาเขาเกิดจะสั่งให้เขาดับไม่ได้เวลาเขาดับจะไปสั่งให้เขาเกิดก็ไม่ได้ถ้าเราไปสั่งปปอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกในอริยาาสัจสีทุกที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปความทุกข์ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่รุนแรง ที่เป็นอันตรายต่อจิตใจความเจ็บของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อต่อจิตใจถ้าจิตใจทาจะจิตใจเฉยปล่อยวางได้ความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่มีไม่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อจิตใจแต่ผลกระทบที่รุนแรงนี้เกิดจากความอยากปัญหาความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาสั่งให้มันหายไม่ได้เมื่อมันสั่งให้มันหายไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปทานั้นอยู่กับมันไปก็ใช้พุโทโธบริกรรมไปปล่อยเขาไปแล้วมันก็จะสงบตัวลงนี่คือวิธีพิจารณาถ้าเราทํานี้แล้วทุกครั้งที่มันเกิดเราก็ใช้วิธีนี้อีกเพียงแต่ว่าเราอย่าไปนึกถึงวิธีเก่า แต่มันวิธีเดียวเนี่ยแต่ต้องทำในขณะต้องทำเป็นปัจจุบันหมไม่ใช่เอามาฉายภาพของอดีตมาดูปัจจุบันต้องผลิตมันขึ้นมาใหม่ต้องพิจารณาใหม่พิจารณาว่ามันก็นนัตตาห้ามมันไม่ได้พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันหายไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันมีมามีไปเวลามันมาก็ต้องอยู่กับม ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ต่อไปจะสามารถผ่านทุกกเวละเวทนาไปได้ปัญหาต้นเหตุของของของความทุกข์กับเวทนาก็คือความอยากนี่อยากอยากให้มันหายไปหรืออยากไม่เจอมันอย่าให้มีความอยากนี้แล้วรับรองได้จะไม่มีปัญหาเวลาเจอมันก็อยู่กับมันไปหัดชอบไปเหมือนเวลาเราต้องกินข้าว กินกับข้าวที่เราไม่ชอบก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้กินย้อมฝืนกินเข้าไปกินแล้วมันอย่างน้อยมันก็อิ่มอันนี้ก็เหมือนกันเจอทุกขเวทนาก็ต้องกินมันอย่าไปอย่าไปไม่กินมันเพราะความไม่กินมันจะทำให้เราหิวทำให้เราทุกข์ใจถ้าเรากินมันก็คืออยู่กับมันไปสัมผัสรับรู้มันไปมันก็จะไม่ทุกข์ใจ ปัญหาของคนเราก็อยู่ที่การไม่ยอมรับความจริงทุกเวทนาก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งการสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักก็เหมือนกันเวลาสูญเสียนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับก็รับไม่ได้อยากจะให้เขากลับคืนไปนี่เขาไม่กลับมาแล้วเขาตายไปแล้วจะให้เขากลับมาได้อย่างไหรือว่าเขาไปแล้วก็ไม่กลับมาหาเราแล้วเขาเลิกกับเาแล้ว เราต้องยอมรับความจริงแล้วเราก็จะหยุดสร้างความทุกข์ให้กับใจเราที่เกิดจากความอยากให้เขากลับมาหาเราอีกนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ต่างๆแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยการเห็นว่าทุกอย่างเป็นอ น, นิจจ์เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้น เขาอยู่ก็ปล่อยก็อยู่ไปเขาไปก็ปล่อยให้เขาไปแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความถึกคุณอภัสรนันนะครับอกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าสาเหตุที่ทําให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้ามีอะไรบ้างควรสํารวจข้อธรรมอันไหนที่ตรงต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอปัญหาข้อแรกก็คือ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็คือการไม่ปฏิบัตินั่นเองไม่ยอมปฏิบัติถึงเวลาแทนที่จะปฏิบัติก็ไปเปิดทีวีดูดูละครกงนั่นมันจะปฏิบัติได้อย่างไรปัญหาคำตอบไม่มไง่ายไม่ น, าน่าเลามาแกล้งถามกันเลยปฏิบัติเสษเหมือนกินข้าวทำไนถึงเวลากินข้าวท ำ, ทำไมกินได้ ทำไมถึงเวลาปฏิบัติทำไมปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราไม่กินข้าวล้วเป็นงานหิวไหตายไหมเรื่องกินข้าวนี้ทําไมกินได้แต่ทําไมเรื่องปฏิบัตินี้มีอุปสรรคกันเลอเกิน <c oughs> ทั้งๆที่ว่าการปฏิบัติก็เป็นเหมือนการกินข้าวดีๆนี่เองการปฏิบัติก็เป็นการให้อาหารกับใจใจของเราหิวโหยด้วยกิเลสตัณหาถ้าเราปฏิบัติเราก็จะดับความหิวโหยดับกิเลสตัณหาได้ ปัญหามันความหิวโหยก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเราต้องบังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติเท่านั้นเอง ม, มันไม่ได้อยู่ตรงไห น, นอยู่ที่เราไม่มีวีน่นในตัวเราเองเราขาดคุณธรรมสี่ประการอาพูดง่ายๆถ้าอยากจะรู้ขาดอธิษฐานความตั้งใจตั้งใจจะปฏิบัติในไม่มีต้องตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้เวลานี้ต้องปฏิบัติจะเวลาไหนากาหนดไปเลย จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนจะลุกขึ้นไปทำอะไรก็ปฏิบัติงนี้ตั้งเวลาไว้กาหนดไว้เรียกว่าอธิษฐาน<ม>การอธิษฐานนี้ไม่ได้ให้ไ ป, ไปอธิษฐานที่ที่ผลให้อธิษฐานที่เหตุส่วนใหญ่เราจะไปอธิษฐานที่ผลกันขอให้ได้มรรคผลนี่ผ่านกันถ้าขอไปจนมันตายก็ไม่ได้เพราะผลไม่ได้เกิดจากการขอผลเกิดจากการทำ ดัน้เราต้องอธิษฐานที่เหตุคือการกระทาว่าเราจะนั่งสมาธิเราจะปฏิบัติทำเวลานั้นเวลานี้ข้อที่หนึ่งคืออธิษฐานบารมีข้อที่สองก็คือสัจจะบารมีคือความจริงใจเราต้องมีความจริงใจต่อการตั้งใจของเราต่อการอธิษฐานของเราไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาจะปฏิบัติก็ไปเปลี่ยนใจไปเปิดทีวีดูแทน อย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐานแต่ไม่มีความจริงใจ <c oughs> นี่เข้าใจนะต้องจริงใจอย่าเปลี่ยนใจต่อการตั้งใจของเราตั้งใจอะไรแล้วจะต้องทำต้องทาตามความตั้งใจของเราถึงจะเรียกว่ามีสัจจะมีความจริงใจพอมีความจริงใจแล้วก็ต้องทำต้องมีข้อที่สามก็คือวิริยะบาลมีก็คือความขยันไม่ใช่พอถึงเวลาจะทาก็ ทำแบบเยาะเยาะแยะแยะทำแบบพอหอมปากหอมคอทำได้สักห้านาทีสินาทีก็เลิกแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยะบามีมีอธิษฐานมีสัจจะแต่ทำไม่เต็มร้อยทำแค่ห้านาทีสิบนาทีแทนที่จะทำชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าไม่มีวิริยะบารมีทำอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผล แล้วข้อที่สามข้อที่สี่ที่ต้องมีก็คือขันติความอดทนเวลาทำนี่มันจะมีอุปสรรคเยอะกิเลสมันจะสร้างความรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมามาคอยมาขัดมาขวางหมงุดหงิดลำคาญใจเป็นอุปสรรคไปหมดคันตรงนั้นปวดตรงนี้หิวอย่างนั้นหิวอย่างนี้ร้อนมากร้อนเกินไปหนาวเกินไปเหนื่อยเกินไป มันจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาร้อยแปดพันประการถ้าไม่มีขันติความอดทนแล้วจะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปไม่ได้นี่แหละคือคุณธรรมสี่ประการถ้าที่จะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถปฏิบัติได้คืออธิษฐานสัจจะวิริยะขันติพระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน ตอนที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงตั้งอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้ถ้ายังไม่ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าร่างกายนี้เลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันเหือดแห้งไปยอมตาย ถ้ายังไม่บรรลุจะไม่มีวันลูกจากที่นี้ไปเป็นอันขาดอันนี้แหละเป็นวาจาเป็นความตั้งใจนแน่วแน่ของพระทศเจา้าและก็ทรงกระทาตามที่ทรงได้ตั่งสัจจะไว้ภาวนาไปจนในที่สุดก็ฟันฝ่าอุปสรรคได้มีมารมามาล่อมามาม า, ม า, มายื่อยวนกวนใจพระองค์ก็ชง้ายขันติ บ, บารมีอดทนอดกลั้น ดยในที่สุดก็ได้ตัดสรลเป็นพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราผู้เป็นสาวกผู้เป็นพุทธบริษัทสีผู้ที่ติดตามเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ผลมาดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราไม่ปฏิบัต อยู่ที่เราไม่สร้างบารมีทั้งสี่ประการนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองอว่าไปก็่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณการสงบสมถะสันโดษ น, นะครับตอนเริ่มต้นภาวนาเราเอาสติไปกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกพุทโธแต่พอภาวนาไปสักระยะหนึ่งสติเราก็ย้ายไปกำหนดรู้ที่หน้าผากระหว่างคิ้ว ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสติเราไม่มั่นคงหรืออย่างไรเจ้าคะ่ะคือการภาวนานี้ควรจะอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปถ้าเคลื่อนไปก็แสดงว่ า, าสติไม่มีกำลังที่จะควบคุมใจให้อยู่ในจุดนั้นได้ ยังก็ต้องพยายามฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นอย่ามาฝึกสติเฉพาะตอนที่เวลานั่งสมาธิเท่านั้นจะไม่มีกำลังพอจะต้องฝึกสติทั้งวันเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่จนจะให้อยู่กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปไม่ว่ากำลังจะทำอะไรกาลังอาบน้ากาลังล้างหน้าแปรงฟัน คือการกระทำอะไรที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดึงกลับมาให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเราต้องเจริญสติให้มากก่อนถ้าไม่เจริญเจริญสติให้มากาสติจะไม่มีกำลังพอมานั่งสมาธิกำหนดให้ดูลมตรงตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนไปตามเพอาสติมันจะไม่มีกำลัง ฉันต้องพยายามฝึกสติเราต้องการให้ใจตั้งมั่นอยู่ที่เดียวใจจะนิ่งจะสงบได้ต้องอยู่ที่เดียวไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ลอยไปลอยมาอย่างนั้นผลปัญหาของผู้ที่ภาวนาแล้วไม่ได้ผลนี้่้อยทั้งลอยก็เกิดจากการไม่ได้เจริญสติมาก่อนหน้ามาจเจริญสติตอนที่นั่งเลยถ้าเป็นนักมวยก็เคยไม่เคยซ้อมเลยไม่ชกกระสอบทรายไม่วิ่งไม่ ซ้อมชกกับคู่ซ้อมเลยพอถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยพอขึ้นเวทีก็โดนหมัดเดียวก็น็อกเลยนต้องฝึกต้องเจริญสติให้มากๆตลอดเวลาถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิก็ต่อไปจากท่านเดิมนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับในการนั่งภาวนาบางครั้งนั่งยังไม่ถึงห้านาที จะเริ่มมีอาการเวียนศีศรษะและรู้สึกว่าตัวหมุนแต่ก็พยายามฝึกนั่งภาวนาต่อไปแต่ยิ่งฝืนยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมจนต้องเลิกภาวนาและหลังจากเลิกภาวนาแล้วกว่าอาการนั้นจะหายไปก็ใช้เวลานานพอสมควรอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะบางครั้งนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ปรากฏอาการเหล่านี้บางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็นนะ บางครั้งนั่งห้านาทีก็เป็นบางครั้งเป็นสองชั่วโมงก็ไม่เป็นครับก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ได้ร่างกายอาจจะมีอะไรผิดปกติถ้าเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องหาแพทย์ปรึกษาแพทย์ถ้าเป็นเรื่องของใจก็ต้องว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่สร้างสร้างอุปสรรคขึ้นมาบางวันกิเลสตัณหาเขาไม่สร้างก็ภาวนาได้สบาย วันไหนที่เขาสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างอุปสรรคขึ้นมาก็จะมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ตามมาได้วิธีแก้ก็คือให้เรามีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของร่างกายมันอาจจะไม่หายเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของสติ สติไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาของร่างกายได้เช่นร่างกายอาจจะมีเลือดลมไหลเวียนผิดปกติหัวใจทำงานไม่ปกติอย่างนี้ก็ต้องไปหาแพทย์ต้องไปแก้ที่ทางล่างร่างกายถ้าเป็นทางด้านของจิตใจก็ให้ใช้สติสตินี้แก้ได้ปัญหาทางจิตใจเช่นกิเลสเริ่มสร้างก่อกวนเริ่มสร้างปัญหาต่างๆให้เกิดความรู้สึก อะไรต่างๆขึ้นมานี้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านั้นมันจะหายไปเองเอาละนะตอบปัญหาใครมีปัญหาเราอยากจะถามตอบร้าก็ยังไม่ชัดเจนก็ถามใหม่ได้หรือถ้าดีมาถามที่นี่เลยดีกว่าจะได้ถามตอบ ก, กันได้อย่างรวดเร็ว เวลาไ ม, ม sociedad, ่สำคัญการทำวัดเย็นนี้เป็นอุบายของการนด้งสมาธิเป็นการทำสมาธิจะทำวัดเย็นวัดเช้าเวลาไหนก็ได้บทสวดบทไหนก็ได้การสวดนี่เพื่อทำใจให้สงบถ้าทำวัดเย็นตอนเช้ามันสงบก็ทำวัดเย็นตอนเช้าก็ได้ถ้าทาวัดเย็นตอนเย็นมันไม่สงบก็ทำวัดเย็นตอนเช้าก็ได้ ขอให้ผลดูที่ผลอย่างเดียวอย่าไปดูว่ามันเย็นหรือเช้านะดูว่ามันสงบหรือไม่สงบแต่อย่าไปทํำกับชาวบ้านเขานะั้นเดี๋ยวก็จะว่าเราอันนี้เราทําคนเดียวของเราทำตรงผาอ่าแต่ถ้าทำกับชาบ้านเขาเขาทําตอนไหนเขาทำส่วนอันไหนแล้วก็ต้องส่วนไปกับเขา